ในภรษาท่านก็จะมาเทศนามาแสดงธรรมให้พวกเราฟังนะอยู่เป็นประจำแต่ก่อนนี่ก็เช้าเย็นทีเดียวนะตั้งแต่สมัยที่อาตมามาอยู่ใหม่ๆตอนหลังก็ในช่วงตอนหลังๆก็ท่านก็มาแสดงธรรมได้เฉพาะช่วงเชา้า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 ฝึกฝนพัฒนาตนถ้าเราได้พิจารณาใครโครนการอาภาธของท่านนะแล้วก็ได้เห็นเลยนะว่าโอ้สังขารมันไม่จีรังยั่งยืนนะครูบาอาจารย์ของเรานะสักวันยังก็ต้องจากเราไปนะไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหวังพึ่งครูพาครูบาอาจารย์ต่อไปไม่ได้นะต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองอย่างที่พระเจ้า ก, ก็เคย แนะนำหรือว่าตืนสติพระอานนทนะ์อย่างที่ได้เล่าไปว่านะในพรรษาสุดหลังภรรษาสุดท้ายของพระพุทธองคนะ์ตอนนั้นพระพุทธองค์ก็อายุ80แล้วก็มีวันหนึ่งพระอานนทนะ์ก็ได้พูดกับพระพุทธองค์ว่าท่านเนี่ยยังไม่เห็นธรรมได้จำแจ้งนะแต่ก็พูดทำนองว่ายังดีนะ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 แล้วท่านก็พระองค์ก็ขยายความต่อไปว่าก็คือมีทมเป็นเกาะมีทมเป็นสารณะนะคืออย่าหวังพึ่งพาพระองค์นะต้องหวังพึ่งตนเองโดยการที่น้อมนำธรรมมาให้เกิดขึ้นกับตนหรือว่าทาให้ธรรมะเจริญ ง, งอกงามขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะที่เอามาใช้ได้กับพวกเรานะ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 นะเมื่อตอนบ่ายๆตอนเย็นนะหมอก็มาตรวจมาคลำคอหลวงพ่ออยู่พักใหญ่หลวงพ่อก็ไม่ทราบว่ามาคลำพ่ออะไรนะแต่ก็เขียนถามไปว่านะใกล้ตายแล้วใช่ไหมนะที่แรกหมออา่านว่าใกล้หายแล้วใช่ไหมไม่ในชะ่ใกล้ตายแล้วใช่ไหมนะคนธรรมดาเนี่ไม่กล้าพูดแบบนี้นะกูว่าจะเป็นอัปมงคลนะ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 แล้วก็ดุนแรงจนตอนนี้ท่านก็คิดว่าไม่รักษาละอันนี้ก็คือทนะ ร, รมะที่ท่านได้แสดงไม่ใช่ด้วยการพูดแต่ด้วยการทาให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็เป็นให้เราใคร่ครวญนะก็เป็นธรรมะนะที่ทั้งในแง่ของการเตือนสติเรา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 ถ้าหากว่าเราเพียงพยายามเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีอยู่ในศักยภาพของเรา น, ะนี่ถ้าเราพิจารณาแบบ น, นี้แล้วนะก็ควรใช้พรรษา น, นี้นะในการที่จะทําความเพียรนะโดยเฉพาะในเรื่องการดูจิตนะดูใจของเรา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 จะทำงันได้ต้องมีสตินะเป็นตัวเหมือนกับเป็นตาในหรือเป็นแสงสว่างที่ส์ส่องว่ามันมีตรงไหนที่ต้องชำระให้สะอาดบ้างง mm. ั้นถ้าเราใช้ตาในคือสตินะก็ทำให้เราได้เห็นใจของเราแล้วก็สามารถที่จะป้องกัน ร, รักษาใจของเราไม่ให้ความทุกข์ครอบงารวมทั้ง สามารถที่จะรื้อถอนอต้นต่อแห่งความทุกข์นะก็คือกิเลส ต, ตัณหาหรืออวิชชาได้ไอตัวนี้แหละมันเป็นต้นต่อแห่งความทุกข์นะไม่ใช่สิ่งภายนอกไม่ใช่เจ้านายที่ดุร้ายไม่ใช่ดินฟ้าอากาศหรือว่าคนที่ต่อว่าด่าทอติชิ น, นินทาเราไม่ใช่แม้กระทั่งความเจ็บความปวดด้วยซ้ำํำแต่มัน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 กายและใจของตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้วนะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยก็คือการาสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างราบรื่นกลมกลืนเพราะว่าเรามาอยู่จำพรรษาเนี่ยก็คือเรามาอยู่กันเป็นหมู่คณะเราไม่ได้อยู่เลีกยเล่นคนเดียวแต่ในป่าถ้าเราอยู่แต่ในป่าหรือเก็บอารมณ์อยู่ในกุฏิอยู่ในที่พักก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปเกี่ยวข้อง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 หลังจากนั้นค่อยมาถามเรื่องการปฏิบัตินะว่ายังมีความไม่ประมาทยังอุทิศกายและใจเพื่อการปฏิบัติหรือไม่ทำไมถึงถามเป็นลาดับสามนะเรื่องการปฏิบัติทำไมถึงถามเรื่องการกินอยู่แล้วก็ถามเรื่องการสามคัคคีความพร้อมเพียงเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมการปฏิบัติ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 เข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนม น, น่าสนใจที่พระอนุรุทธาท่านตอบนะเมื่อพู้เจ้าถามเชนเนตนะว่าพร้อมเพียงกันยังดีอยู่หรือนะชื่นชมกันไม่วิวาดกันมองกันด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักหรือไม่พระอนุรุทธาก็ตอบว่าแม้กายของพวกข้าพระเจ้าของข้าพระองค์จะต่างกันแต่ว่าจิตใจนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันนะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยได้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 ล้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันแม้กายของค้าพระองค์จะต่างกันแต่ว่าจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ก็เป็ น, เ, ปนเรียกว่าเป็นการน้อมจิตน้อมใจของภาษาโกนะซึ่งในที่สุดก็ส่งผลให้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งสามท่านนะพวกเรานี่อาจจะทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะประเภทว่าวางจิตของตน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 ลงไปนะเท่าที่จะทำได้นะก็จะช่วยให้การจาพรรษาของเรานี้เนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ไม่เพียงแต่บรรยากาศสงบพร้อมเพียงแต่ว่าจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมเจริญงอกงามขึ้นด้วยนะวก็ฝากเอาไว้นะเป็นข้อคิดปฏิข้อคิดสำหรับการสำหรับวันแรกของการเนะข้าพรรษาในปีนี้กลับภาพพร้อมกัน